พระพุทธเจ้าก็ประทับอยู่ที่มุดจลินนั้นประมาณล่วงไปหนึ่งสัปดาห์ด้วยอาการอย่างนี้ต่อจากนั้นก็ประทับอยู่ที่ราชายตนะพฤกอีกหนึ่งสัปดาห์ไปประทับอยู่ที่ต้นราชายตนะพฤกเนี่ยนะทีกว่าต้นอะไรต้นต้นใดนะไม่ใช่ไม่ใช่ใชราชายตนะเนี่ยนะสัปดาห์ที่อ่านะพอครบไปถึงสัปดาห์ที่8พระองค์ก็ออกจากราชายตนะพฤกเนี่ยมาที่มา กระนั้นมาเคียวไม้สีฟันหรือเอกาแปลงฟันเนี่ยนะแล้วก็ฉันยาสมอสมอยาที่เท้าสักกะจอมเทพนํามาถวายบ้วนพระโอษฐ์แล้วเมื่อเท้าจตุกุโลกบาลน้อมบาดศิลามีค่าเป็นพิเศษมาถวายพระองค์ก็เสวยบิณฑบาตของตปุษสะกับพลิกะเนี่ยนะก็คือรับเอาบาดอะไรบาดบาดอะไรบาดหินเนี่ยนะบาดหินเนี่ยมารับอาหารของตปุษกาและผลิกะสองพ่อขา เก็เชื ER at, ่อว่าพ่อค้าทั้งสองนี้เป็นชาวพม่าเนี่ยนะที่รับพระเกศาธาตุมาแล้วก็มาสร้างเจดีบรรจุเกศาธาตุคือที่เรียกว่าเจดีชเวดากองเลยนะเขาเชื่อกันว่าอย่างนั้นแล้วก็ประวัติของเจดีชเวดากองเป็นอย่างนั้นทั้งสองพ่อค้าก็อาศัยพระเกศาธาตุที่รับประทานจากพระพุทธเจ้ามาสร้างเอาไว้พระองค์ก็ปรับไประตทับที่อาชาละต้นอาชะปาระนิโครดคือต้นไทรอีกครั้งหนึ่ง พระองค์ก็เกิดปริวิตกว่าปริวิตกที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์เนี่ยนะพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก่อนจะแสดงธรรมนั้นพระองค์จะมีปริวิตกเช่นนี้เหมือนกันหมดเนี่ยนะคือปรารบที่จะไม่แสดงธรรมน่ยนะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาด้วยเหตุผลสองประการประการแรกเพราะธรรมะที่พระองค์ตรัสรู้นั้นลึกซึ้งเหลือเกินแล้วก็อนุภาพปัจเจกขณะยานเห็นหมูสัตว์ที่ อะไรนะหมกมุ่นอยู่ด้วยบาปอากุศลธรรมทั้งหลายในที่หนึ่งก็ทําให้พระงไม่น้อมไปเพื่อแสดงธรรมในที่สองเมื่อพงคิดอย่างนั้นแล้วเทาว้ามหาพรหมสามบดีพรหมจะมาอาราธนาพรหมทั้งหลายเคารพมนุษย์ศัต ร, ร์ทั้งหลายเคารพพรหมยิ่งนักเพราะฉะนั้นธรรมนี้สงบประนีตมนุษย์ทั้งหลายเป็นต้นก็จักตั้งใจฟังอย่างเช่นแม่พระสารีบุตรใช่ไหมแม่พระสารีบุตรเนี่ยนะนับถือพระพุทธศาสนาเพราะพรหมลงมาเข้ามาเยี่ยมใข่พระสารีบุตรนะ ถ้าพรหมไม่มาเนี่ยนะนางก็คงไม่เลื่อมสายหรอกก็เนื่องจากว่าพรหมเนี่ยมาเยี่ยมพระสารีบดุล น, นะมาขออุปถัมภ์พระสารีบดุลในในเวลาสุดท้ายพระสารีบดุลไม่อนุญาตพรหมกลับไปแม่ก็มาถามว่าใครมาบอกว่าเท้ามหาพรหมผู้เป็นพระเจ้าของแม่นั่นแหละเหรอลูกของลูกเนี่ยยังยิ่งใหญ่กว่าเท้ามหาพรหมอีกเหรอเท้ามหาพรหมก็เหมือนกับสัมมาเนอุ่มบาตตามพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละในวันที่พระองค์เสด็จลงจากเทวโลกเนี่ยนะ เรบอกโอาศาสดาของเจ้ายิ่งใหญ่จริงๆพระองค์พระสารีบุตรก็แสดงพระพุทธคุณให้ฟังมารดาก็มีปีติแลวท่านก็ประกาศอริยสัจนางก็เป็นพระโสดาบันเนี่ยนะเพราะเขานับถือพรมกันมากเลยเนี่ยนะมันถ้าไปพูดอย่างอื่นนอกจากพรมเนี่ยเขารับไม่ได้เขาทำใจไม่ได้มาหลังจากที่พรมอาราธนาซึ่งพระองค์ก็พิจารณาเบ็ดเสร็จแล้วว่าจะแสดงธรรมนะที่บอกว่าเปิดประตูอมะตะธรรมแล้วมันผู้ที่มีหู ที่ตั้งใจฟังเนี่ยนะปล่อยศรัทธาออกมารับพระธรรมเทศนาเธอในข้อ324หน้า422พระองค์ตรัสว่าดูก่อนพิสูนทั้งหลายเราดำริว่าเราจะแสะดงธรรมคือประกาศอริยสัจครั้งแรกนี้แก่ใครหนอใครจับรู้ทั่วถึงธรรมะนี้ได้อย่างเร็วเราต้องเอาคนที่บรรลุเร็วๆหน่อยใช่ไหมใครก็เลยคิดถึงอาราลดาบทกลามมโคดผู้ได้ อากินจัญญายตนะสมาบัติว่าอาะลาลดาบทกาลามโคดคนนี้แหละเป็นบัณฑิตเป็นบัณฑิตฉลาดมีปัญญามีกิเลสดุทลีในดวงตาน้อยมานานเพราะอะไรเพราะถูกข่มด้วยอากินจัญญายตนะสมาบัติมานานแล้วเนี่ยนะเป็นคนที่บริสุทธิ์มานานนิวรนเป็นต้นไม่กลุ่มรุมเลยเนี่ยนะถ้ากระไรเราพึงแสดงธรรมประกาศอริยสัจจะทำครั้งแรกแกเธอ เธอจักรู้ทั่วถึงธรรมนี้ได้อย่างเร็วครั้งนั้นเทวดาองค์หนึ่งเข้ามาหาเราแล้วก็บอกเราว่าท่านผู้เจริญอาลาลดาบทกาลามโคตรมรณะภาพไปได้เจ็ดวันแล้วเนี่ยนะพระองค์ก็บอกว่าเทวดามาบอกพระองค์ก็ไม่ใช่ว่าเชื่อเลยนะไม่ได้คัดคานอะไรพระองค์ก็ใช้พยานญาณทัศนะ ส, สำรวจตรวจดูด้วยสัพพัญยุตยานว่า อาลาและดาบทตกลามมโค ต, ตายจริงอ่ะเวันแล้วก็บงบอกว่าอาลาลดาบทเป็นผู้เสื่อมใหญ่แล้วหนอเสื่อมเสียใหญ่มากก็เรียกว่าเป็นความเสื่อมเสียเป็นความสูญเสียที่เรียกว่าพลาดโอกาสแม้ยิ่งอ่ะเรื่องนะพลาดโอกาสที่จะเกือบจะได้สวรรค์จะสมบัติแล้วเนี่ยนะรออีกเจวันก็สวยราชแล้วครองราชแล้วเนี่ยนะแต่ก็ไม่เพราะอะไรเพราะถ้าเธอได้ฟังธรรมจะได้บรรลุธรรมอย่างรวดเร็ว เพราะคนที่บริสุทธิ์จากนิวรณ์เป็นต้นเนี่ยนะนิวรณ์ไม่กลุ่มรุมมีศีลดีมีความบริสุทธิ์ใจยอย่างยิ่งและฉลาดมีปัญญาเนี่ยนะมีทั้งปริหารยกะปัญญาทั้งสหาชาติกะปัญญา น, นะแล้วก็ถ้าได้ฟังพระธรรมเทศนาคำสอนข้อปฏิบัติที่ถูกต้องเท่านั้นแหละเขาจะตรัสรู้ได้เลยแต่ก็พลาดไปเจ็วันถ้ารออีกสักเจดวันเนี่ยนะเขาบอกว่าอ้าแล้ว อา้าวเขไปเกิดในทั้งอากินจัญญายตนะมีอายุตั้ง6ก 0,000 ืนกับไม่ใช่ดีหรือท่านก็สบายทั้งห0 0 0ืนกับไม่ต้องหาทํามาหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องชีวิตอยู่แต่ความสุขอย่างเดียวเนี่ยติดกันสืบเนื่องกันทั้งหก0 0 0่นกับไม่ดีหรือเนี่ยนะก็เขบอกว่าไม่ดีหรอกเพราะว่าอันนั้นก็ยังเวียนกลับไปในวัฏฏะอีกซึ่งต่างจากโสดาปฏิพันธแต่ถ้าท่านเป็นพระโซดาบางังและท่านไปเกิดในอากินจัญญายตนะพบว่า น, นี้สบาย เนี่ยนะจะไปนี้ผ่านที่นั่นเราไม่กลับมาอีกแล้วเนี่ยนะแต่ถ้าแต่ น, นี้เสียดายว่าถ้าได้บรรลุก่อนเนี่ยนะค่อยไปเนี่ยไม่ว่ากันแต่ว่าไม่ได้บรรลุแล้วไปแบบอะไรนะไปแบบเหมือนก็แทบจะไปตัวเปล่าว่างันเถอะอันนี้ที่น่าเสียดายมากน่าสงสารมากเสื่อมจากมรรคผลที่ตนควรจะบรรลุภายในเจวันอย่างที่บอกว่าโสดาปฏิพลยิ่งใหญ่กว่าอธิปไตยในแผ่นดินโสดาปฏิผลยิ่งใหญ่กว่าเอกราชในแผ่นดิน คือความเป็นอันหนึ่งยิ่งใหญ่ที่สุดเนี่ยถ้าเทียบกับโซดาปฏิผลด์ลโซดาปฏิพล์ใหญ่กว่าเยอะเนี่ยนะยิ่งใหญ่กว่าการไปสู่สวรรค์ชั้นฟ้าหมายคือว่าสวรรค์ทั้งยี่สิชั้นตั้งแต่จาตุมจนเถิงโน่เนี่ยเนวสัญญาณาสัญญาญตนะโซดาปฏิพล์ประเสริฐกว่าโสดาปฏิพล์ลยิ่งใหญ่กว่าทุกอย่างเนี่ยนะในสวรรค์ชั้นฟ้ายิ่งกว่าไปสู่สวงสวรรค์ยิ่งกว่าอำนาจของพระราชาอาจากักรพัทเป็นต้นเพราะ เพราะท่านเหล่านั้นไม่ได้ร่วงพ้นจากอบายทุกขติวินิบาดนรกเลยแต่ผู้ที่ตรัสรู้อริยสัจเป็นพระโสดาบันแล้วเนี่ยข้ามพ้นจากอบายทุกขติวินิบาตแล้วก็นรกซึ่งคนเป็นคนที่พอจะรู้ได้แต่ไม่ได้ไ ม, ไ, ดไม่ได้รู้เนี่ยนะแม้น่าน่าพลาดเสื่อมเสียจากโอกาสซึ่งเกือบได้บรรลุอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็ไม่มีโอกาสเนี่ยอย่างบางคนนี่เขาก็เก่งในะสติปัญญาดีถ้าเขาตั้งอกตั้งใจเรียนพระไตรปิฎกไม่นานเขาก็เข้าใจแล้วแต่ว่า พลาดโอกาสไปอีกจนได้พลาดครั้งแล้วครั้งเล่าเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคนที่ทําบุญไว้ดีก็ตั้งความปรารถนาว่าขออ ย, า อ, าอย่าได้พลาดจากโอกาสในการประพฤติปฏิบัติเพื่อตรัสรู้อริยสัจ ต, ตามพระพุทธเจ้าเลยเนี่ยนะต้องตั้งจิตอธิษฐานเรียกว่าอะไรนะกำหนดจิตของตัวเองเนี่ยให้มันตรงให้มันแม่นให้เป็นไปตามาตามนัยยะที่ถูกต้องไม่อย่างนั้นเนี่ยก็พลาดแล้วพลาดเล่าเนี่ยนะพุทธเจ้าผ่านไปกี่องค์กี่องค์งเราก็ คงเดิมเนี่ยก็น่ า, นาเสียดายและก็น่าเห็นใจเนี่ยนะเพราะฉะเราต้องพยายามตั้งอัตตะซัมมาปณิทิคือเรียกว่ากำหนดทิศทางให้เป็นไปตามเพื่อที่จะได้ตรัสรู้แต่ก็ไม่ต้องแปลกใจหรอกเพราะว่าทั้งสอง อ, อาราละดาบทกับอุทกาดาบทไม่ได้น้อมเพื่อการตรัสรู้เนี่ยนะไม่ได้น้อมเอาไว้ไม่ได้ทําบุญตั้งความปรารถนาเอาไว้อย่างดีนั่นเองนี่หลังจากนั้นพระองค์ก็คิดต่อไปว่าถ้าเราจะแสดงธรรมนะเพราะว่าคนที่หนึ่งพลาดไปแล้วใช่ไหมเกือบได้บรรลุแล้วเนี่ย เกือบได้ก็เกือบพลาดเนี่ยเอาไหนเกือบแม้เกือบแม้ถ้าเราอีกเจ็วันนะจะได้บรรลุแน่เหมือนกับ阿拉และดาบทกับแม้เกือบจะไม่ได้บรรลุแล้วเหมือนสุพระสุพัทธะเนี่ยนะเอาไหนดีเอาแบบเกือบแบบพระสุพัทธะเนี่ยนะช้าหน่อยก็ยังดีนะเกือบสอบตกดีกว่าเกือบสอบได้ใช่ไหมนะถึงกับโกรธเขาไหนก็ไม่เป็นไรเพราะมันเกือบเกือบสอบตกก็โอเคแล้วถ้าเกือบสอบได้เนี่ยนะเหมือนหน้าดีใจใช่ไหมเกือบบรรลุมรรคผลแม้เกือบไม่ได้บรรลุเนี่ยเอาไหนนะ เกือบทำกับเกือบไม่ทำเนี่ยนะเอาไหนก็ดูเอาแล้วกันเนี่ยนะนี่พระองค์ก็คิดว่าเออแล้วใครล่ะที่จะบรรลุต่อก็คิดว่าอุทกะกดาบทรามบุตรนี่แหละเป็นบัณฑิตฉลาดมีปัญญามีกิเลสดุทลีในดวงตาน้อยมานานถ้าการะไรเราพึงแส ด, ดงธรรมครั้งแรกแกเธอเธอจักรู้ทั่วถึงอริยสัจธรรมนี้ได้อย่างเร็วครั้งนั้นเทวดาองค์หนึ่งก็เข้ามาหาเราแล้วก็บอกว่า พระองค์ผู้เจริญอุทะกดาบทรามบุตรมรณภาพไปเสียแล้วเมื่อเย็นวานเมื่อคืนนี่เองเนี่ยนะพนนยเพเิ่งเมื่อคืนเนี่ยยังไม่เผาศพเลยวังเงินเนี่ยมเมื่อคืนนี่เองแหละวงังเงินอันหนึ่งญาณทัศนะนก็เกิดขึ้นแก่เราว่าอุทะกดาบทรามบุตรเนี่ยมรณภาพไปเสียแล้วเมื่อเย็นวานเราก็เลยคิดต่อไปอีกว่าถ้าอุทะกดาบทรามบุตรเนี่ยนะเป็นผู้เสื่อมเสียใหญ่แล้วเนาะ แค่คืนเดียวเนี่ยนะพลาดกันแค่ 12, ส2บสองสไม่กี่ชั่วโมงเลยนะไม่ถึงในรอบไม่ถึง24ชั่วโมงโอกาสที่จะได้บรรลุธรรมเนี่ยนะถ้าหากว่าเธอได้สดับธรรมนิสัยจะรู้ทั่วถึงได้อย่างรวดเร็วคนที่บรรลุมัดบรรลุฌานมาก่อนเนี่ยพวกนี้จะบรรลุธรรมเร็วมากเลยเช่นลูกศิษย์พราหมภาวรีเนี่ยนะลูกศิษย์พราหมภาวรีผู้ได้ฌานมาก่อนเนี่ยถามปัญหาจบบรรลุกันหมดเลย นะพวกนั้นอาจจะบรรลุเพราะคนได้ฌานเร็วเนี่ยได้ฌานก่อนมีฌานเป็นบาตรองรับเนี่ยนะพวกนี้นิวรณ์เป็นต้นไม่กลุ้มรุมเนี่ยนะนิวรณ์ไม่กลุ้มรุมอกุศลจิตไม่แทรกซอ้อนเนี่ยใช้สติปัญญาได้อย่างเต็มที่เขาจะเข้าใจธรรมะเนี่ยนะก็เหมือนกับว่าคนนิวรณ์กลุ้มรุมก็คือคนป่วยอะ่ะทำอะไรไม่ได้มีงานก็ถึงงานมันจะดีขนาดไหนสําคัญขนาดไหนจะเขียนชื่อตัวเองรับเช็คยังไม่ได้เลยนะเขียนชื่อรับทรัพย์ยังไม่ได้เลยวนะ่างั้นถ้ามันป่วยหนักเข้าจริงๆอ่ะนะ ซึ่งต่างจากคนที่เขาสุขภาพดีๆเนี่ยสามารถที่จะทําอะไรได้เยอะแยะฉันใดสุขภาพจิตถ้าไม่ดีนะการมาฉันทะราคะเป็นต้นครอบงาําบ้างโทสะครอ บ, ง, บงําบันะ้งถีนมิทธะครอ บ, ง, บงําบั้งอุทะจักุกุจักฟุงซ่ า, งรารําคาญครอ บ, ง, บงํงงบางเป็นต้นบ้างความลังเลสงสัยครอบงามั้งมัวแต่ง่วงบ้างเป็นต้นเนี่ยแหมเหมือนก็ยิ่งกว่าเสร็จตกอยู่ภายใต้อาํานาจฆ่าศึกหมดแล้วเนี่ยนะก็ยิ่งกันเลยยิ่งกว่าไวรัสเข้าแทรกในในร่างกายอีกมั้น แปงก็หมดเรี่ยวหมดแรงอ่ะนะขนาดใครว่าจะรับรางวัลยังก็ยื่นมือไปรับไม่ได้เลยเนี่ยนะนี่ก็เหมือนกันพราคนที่นิวรกลุ่มรุมเนี่ยก็ใจก็ไม่พร้อมที่จะพอจะได้บรรลุมรรคผลได้ก็เลยคิดว่าโหพลาดโอกาสแล้วนะถ้ารออีกแค่คืนเดียวเองอ่ะนะจะได้ตรัสรู้แล้วแต่ก็ไม่เราก็เลยคิดต่อไปว่าเราจะแสดงธรรมครั้งแรกเนี่ยนะปฐมเทศนาเนี่ย แก่ใครเนอใครจะรู้ทั่วถึงธรรมนี้ได้เร็วจริงๆแล้วคนในละเวกบ้านอุรุเวลาเสนานิคมนนั่งเยอะแยะทำไมไม่ไปประกาศพวกให้พวกนั้นสอนฟังไปก่อนนี้ท่านสนใจว่าคนที่จะบรรลุได้ไม่ใช่แม้เที่ยวว่าไปเรื่อยเที่ยวพูดไปเรื่อยไม่เอาเรียกว่าเป็นผู้ที่มีเป้าหมายอย่างชัดเจนว่าพราะองค์นี้แสดงธรรมเพื่ออะไรเพราะฉะนั้นพระองค์แสดงธรรมเพื่อสิ้นทุกข์คนที่เขาฟังแล้วเขาไม่เอาไปปฏิบัติเพื่อความสิ้นทุกข์รอไม่แสดงให้ฟังหรอก อย่างที่บอกว่าเป็นคนที่พระพุทธเจ้าเป็นคนที่ประหยัดที่สุดประหยัดขนาดไหนเขบอกว่าคิดง่ายๆว่าเสียงที่พระองค์ตรัสไปเนี่ยมันจะดังแค่หยุดสมมติถ้าคุยกันสองคนจะได้ยินแค่สองคนเสียงจะไม่มีกระจายออกไป น, นะนะจะพักอยู่แค่นั้นอนะ่ะเสียงจะหยุดอยู่แค่นั้นอย่างเช่นพระพุทธเจ้าตรัสกับเท้าสักกะเนี่ยนะเสียงหยุดอยู่แค่เท้าสักกะพระโมคคัลลานะไม่ได้ยินอยู่ห้องใกล้ๆเนี่ยไม่ยินแต่เสียงที่เท้าสักกะอนุโมทนาเนี่ยพระโมคคัลลานะได้ยิน เนี่ยเสียงพระ อ, องค์เนี่ยคิดว่าประหยัดเสียงขนาดนั้นอ่ะนะแบบแต่งกิ่งก็เหมือนกับพวกอะไรที่มันประหยัดไฟใช่ตั้งเอาไว้เนี่ยมันจะประหยัดมากๆเลยฉันได้พระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าจริงๆแล้วแท้เรียกว่าประหยัดสุดๆเลยเนี่ยนะแต่ไม่ขี้เหนียวนะั้นไม่ตณีแต่ว่าใช้ทรัพยากรโลกตามความจําเป็นอนะไรเงี้ยแต่ใช้ตามความเป็นจำเป็นแล้วก็ได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงแต่ไม่ใช่ว่าพระ อ, องค์เสียงไม่ดังโน้นน่ยคนอยู่ฟากจักรวาลพระ อ, องค์ก็เทศให้เขาได้ยินได้ะเสียงพระ อ, องค์เนี่ยขนาดนั้นแต่ก็เป็นผู้ที่ ทุกอย่างเนี่ยประกอบด้วยประโยชน์หมดสิ่งที่ไม่มีประโยชน์แม้แต่เล็กน้อยไม่มีสําหรับพระพุทธเจา้าเพรการแสดงธรรมเนี่ยมุ่งผลสําหรับผู้ที่จะพอจะบรรลุพอจะตรัสรู้พูดให้คนพอที่จะเข้าใจฟังไม่ได้ไปพูดให้คนที่ไม่อยากฟังฟังเนี่ยนะอันนี้ได้เวนเนี่ยนะคนที่กล่าวธรรมะนี่ต้องระวังให้ดีว่าเขาอยากฟังอยู่หรือเปล่า เนี่ยนะครับเราก็เครีอโอ้ยบอกอะไรก็เล่าเรื่อยด้วยเนี่ยจริงๆแล้วเขาอยากฟังเราพูดจริงหรือเปล่าเนี่ยต้องสังเกตให้ดีนะไม่อย่างนั้นเนี่ยเราพูดธรรมะเยอะเข้าเรากลายเป็นว่าหวัวเดียวกระเทียมรีบไม่มีพักมีพวกกันนะเ<ด>พราะเราขัดคอเขาไปทุกคนไปหมดเนี่ยนะเ<ด>พราะว่าบางทีเนี่ยคือธรรมะมันทวนกระแสเป็นเรื่องทวนกระแสอยู่แล้วใช่ไหม<ด>เขากําลังปล่อยกายปล่อยใจไปตามกระแสแล้วก็เหมือนเขาพูดแล้วเอามือไปปิดปากเขาอย่างนั้น แหมเขาก็เครียดสิเขาก็ไม่ค่าชอบหนึ่งครั้งอาจจะทนได้สองสามไปแล้วท น, ทนทำไมก็เลยเลิกคุยกันเลยคนนี้ยงนั้นอันนี้ก็ต้องระวังว่าคนที่พูดธรรมะก็ต้องระวังว่าผลผลที่ควรจะได้รับเนี่ยแค่ไหนแล้วก็ อย่างไรเนี่ยนะได้การันยูเป็นต้นไหมเหมาะสมไหมผู้ฟังแล้วเขามีศรัทธายิ่งขึ้นไหมไม่ใช่แหมก่อนพูดธรรมะก่อนสนทนาธรรมนี่ก็เป็นได้มิตรภาพกันอย่างดีสนทนาจบเป็นคู่เวรกันไปเรียบร้อยเบ็ดเสร็จเนี่ยนะอันนี้ต้องระวังให้ดีนะต้องสังเกตให้ดีสำหรับคนที่พูดธรรมะกล่าวธรรมะเนี่ยนะ